ละเอียดเรดบดูการเคี่ยว ข, ของเรากี่ครั้งก็จะอินนะ่มเราเคีย้ยกันกี่ครั้งพอเคีย้ยวเสร็จหลังจากเคีย่ยวลงไปยังไงข้าวกลายเป็นละเอียดกลายเป็นแป้งเข้าไปแบ่งมันก็คือน้าําตาลสรุปก็คือกินน้าตาลกินข้าวกินคาร์โบไฮเดรตสุดท้ายมร่างกายเป็นน้ําตาลสรุปว่าการกินเรากิอน้ําตาลนะนี่คือของหวานคืนเข้าไปร่างคืน เราเกนกี่ครั้งถึงจะล่วงหลอคอไปได้คอเลยไปว่าเกินขละคอเนี่ยไปว่าเกินไปแล้วเกิอนอยังไงเกินกี่ครั้งถึงจะลงถึงจะห ล, ล, ลอดอาหารถ้าไม่ลงมราก็อุดตันตอนลมไม่ไปเลี้ยงเต้านม อ, อาตาย็งางนงกันตายก็มีนะยั่วยวุไปอุดหลอดลมเหมือนเด็กเผลอเข้าไปเ ก, กินเข้าไปไปอุดลอมไม่เข้าไม่ออกอาตาย มันง่ายมันตายได้ไกินอยู่บางอย่างตายได้บางคนสำลักบางคนมือทบหลังพ็กินโดยไม่เคี้ยวก็กลืนเข้าไปเลยแ้่เสร็จแล้วมันก็เข้าไปสู่ ร, ร่างกายร่ากายมันก็รับมันก็ซึมซับทําหน้าที่กระจายไปบำรุงดูแลธาตุขันอันี้คาแรกแค่คําแรกนึงโอ้มาขนาดนั้นก็กินน้ําเข้าไปหรอกินกี่อึกกินกีนกนกน่กลืนเข้าไปน้ํำเราไปถึงไหน ตอนนี้คืนเข้าไปแล้วอยู่ลาคอลําไส้ลงกระเพาะนี่เลยกินที่คนมีสติและการฝึกสติในชีวิตประจําวันทานแค่อิ่มมีพิมัน e มแล้วอากาศให้มันพอดีอย่าไปให้มันมากไปเยอะไปกินให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์คือกินข้าวกินกับกินผักกินผลไม้ให้มันครบครบทุกอย่างคือตามที่ร่างกายต้องการบางคนมันกินไม่กินผลไม้เลย วิตามินันก็ไม่ได้กินผักเลยมันก็ไม่ได้กินแต่เขาชอบไหยกินแต่เนื้อกับเนื้ออย่างเดียวสะดวกกินแต่เนื้อคือโปรตีนกับน้ําตาลอื่นก็ไม่ได้อะไรมันก็ขาดร่างกายมันก็ขาดเพราะโปรตีนสําคัญตัวโปรตีนตัวสําคัญนี่ขับเคลื่อนร่างกายสังขารเราให้รตัวได้นี่เห็นไหมเราแค่พิจารณาแค่ข้าวกับน้ำสองเรื่อง เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้ากินอย่งางนเดี๋วกินอย่างมีส ต, ติจะไม่โมมาเราจะรู้ทุกขณะว่าอ๋อเป็นอย่างหลังแกนนั้นก็กินอิ่มเสร็จแล้วหมดภาระเนี่ยธรรมชาติตัวไปก็ไม่ถึงสองชั่วโมงสาชั่วโมงกินอีกแล้วเรื่องเดิมอยู่เพราะนั้นพระถึงตัดภาระเหล่านี้ให้มันเป็นภาระน้อยลงคือกินน้อยสี่สำคัญคือ นอนน้อยนี่คือนักปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไปหัวภาพกอน้อยมันอยู่ที่สมาธิถ้าสมาธิมันคงมต้องไปหัวจิตมันได้พักมันครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งจิตมันได้พักเต็มที่มันก็สดชื่นมันก็มอนก็นอนหลับทั้งคืน้ามันได้พักนะแต่ถ้ามันไม่หลับไม่นอนคือมันตบหรับตื่นต่อันนี้ไม่ได้ร่างกายมัสูญตร จิตมันไมได้พักคือจิตไม่เป็นสมาธิเองเมื่อไรจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่ต้องไปควงกันกนองเราพิจารณาอย่างนี้เป็นกฎตังต้งแต่ต้นเดี๋ยวทให้เป็นนิสยัยในชีวิตปัจําวันยกพิจารณาเรื่องให้เรจัดธาตสี่ขันธ์ห้า 4, รูปนามรดยคนจะรูปคือทั้งหมดที่พูด่าคือรูปคําเดียวนี่นแหละกลับไปก็เรืียนนามพิจารณารูปเสร็จแล้วสิ่งที่สี่ตัวมันอาศัยรูปอยู่คือเวทนานั่นแล้ว เมือเวทนาขคือที่เากินเข้าไปกว่านั้นถ้าเราปฏิบัติอย่างนั้นเราจะเข้าใจในขณะที่เรากินเราฉันก็สามารถที่จะรู้เวทนาได้คือภาสาภัษาความกระทบมันสัมผันอย่างข้าวติดปลายลิ้นมันจะเรื่องรถเข้าใจเรื่องรถละถ้าเราไม่พิจารณาตรงมันเลยลิ้นไปแล้วมันก็มีประโยชน์อะไรตัวเปียวกว่ามันกินชอบไม่ชอบมันเกี่ยวกันล้ะมันเลยขั้นตอนนานไปแล้ว เพราะนถ้าเราไม่พิจารณาตอนนี้ไม่พิจารณาตรงนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์วั น, น, นวันห น, นึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ก็แปลวมันไม่เกิดปัญญามันก็ได้แต่สัญญาว่าอันนี้เป็นโมูอันนี้เป็นไก่นนี้เป็นปลานนี้เป็นกุ้งคือสัญญาแต่ไม่ได้ปัญญามันไม่ได้ปัญญาได้แต่สัญญาว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจาวันของเราเราก็ได้แต่สัญญาสัญญาสัญญา สุดท้ายสัญญาแหะกลเป็นพันธะสัญญาพันธะสัญญาคือสัญญาที่มันผูกมัดเราผูกมัดรัดรึงจนไม่สามารถที่จะแก้เพราะตัวพันธะสัญญาเนี่ยคือตัวสมมติสมมติว่าสุดท้ายก็ติดกับสิ่งเหล่านี้เราก็ติดสมมติแค่สมมติไปได้มันพันตัวเราก็คือพันธะนั่นแหละมันผูกควาพันมันเป็นเชือกร้อยรัดมัดรึงเราของเราก็คือกิเลสนั่นแหละ คอยัดมาถึงเราเราดิ้นไม่ได้ยังมัดเขายิงนั้นยิงนั้นเขายิน่นเขาแก้ไม่ได้เราไม่เคยแก้มันเลยมันก็มัดเรามัดเราเอาจนอยู่เอาจนดิ้นไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นทาจงจําอนต่อสิ่งเหล่านี้คือจิตใจจิตใจก็ไม่อิสระมันไม่ดีอิสระพอเราแยกมันออกเหมือนกับน้ํากับใจนะวัดจก็คือใจนะน้ำก็คือน้ํานะ ร้อนมันคือร้อนนะน้ำมันคือน้ำตัวน้ำร้อนไอตัวร้อนก็คือร้อนตัวน้ำคือน้ำแต่เราก็จะเอน้ําร้อนเป็นตัวเดียวกันเมื่อร่างกายสังขารอันนี้เราก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเป็นอันเดียวคืออัตราตัวความรู้เราเก็ดไปยึดตัวนี้ว่าอัตตาอุปาทานว่าเป็นอัตราที่มั้นอุปทานเพราะยังมีความอยากมีตัญหาอุปทานความอยากมีความอยากมันก็ยึด มันยึดเอาก็ยากแหละได้ที่จะปล่อยเพราะมันยึดเอาไวมันถือไว้มันไม่ปล่อยเพราเราไม่เคยคิดที่จะปล่อยเลยใจเราเราไม่เคยที่จะปล่อยได้เรามามาตก็ยึดไปหมดสิ่งนี้มันก็ผ่านมันในชีวิตในวัฏวาผ่านมาต่างๆก็ดีทางโห่ก็ดีมันก็ยึดเอาไว้หมดมันไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไม่ปล่อยเป็นปกติของเขาเราไปยึดไปแบบไปถือเอาของเขาเช่นความชอบความช่างเป็นต้นเย็นด้านอ่อนแข็ง ที่มันมีอยู่บนโลกแบนี้เราก็กลายเป็นเจ้าของไปหมดเลยเดี๋ยวอุปท า, านการยึดถือวนะันละการละถอนปล่อยวางต้นงมีกลาเป็นเจ้าของเจ้าของกลายไปเขาเจ้าของกิจการไปเลยคือยึดเอาให้หมดวันการปฏิบัติธรรมเราต้องการให้พวกเราเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นครับไปได้ก็ฝากเรานะหนึ่งวัแต่ละวั น, น, นในขณะที่รเราปฏิบัติให้เราคิดได้อย่างนี้เราเราจะเข้าใจวัตถุประสงค์ สุดท้ายเราเข้าใจายที่เรากินกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบสุดท้ายต้องสรุปให้มันฟังกาสรุปมันคือจิตนี่แะสอนจิตะไรทั้งหมดนี่นะที่เรากินกินกินแก่ตั้งแต่ต้นจนจบกินทุกวันกินทุกเวลาทุกครั้งที่มีการกินขึ้นเรากินเพื่อให้กินเพื่ออยู่นะเราไม่ได้อยู่เพื่อกิน คือกินเพื่อนมันมีชีวิตเนี่ยเป็นอยู่โยชน์แต่ไม่ได้มีชีวิตนี้เพื่อกินสอนจิตมันอย่างนี้มันจะได้ไม่หลงมันจะได้เข้าใจว่าเออถ้าอย่างนั้นกินอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์เป็นจะเป็นน้ำเป็นของแพงที่ไหนไม่ได้ขอให้เป็นประโยชน์แต่ที่สำคาญกินได้แล่ะอย่าดืมแผลไม้ตาเขาด้วยนะเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปเขาเดิมทีเขาก็มีชีวิตนะ เรืสติมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นแจกที่เราไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณามันก็เริ่มซับซ้อนเริ่มเข้าใจกระบวนการของชีวิตกุ้งหอยปูปลาเมื่อก่อนเขาก็มีชีวิตน่ะตอนนี้นมาอยู่ในหม้ออยู่ในถ้วยอยู่ใ น, ในจานกลายเป็นของอร่อยของเราไปเป็นอาหารของเราเราก็ไปคิดขอบคุณเขาสักคำมันจะตอบแทนเขาสักคาเพราะฉะนั้นเมื่อมีความดีเราก็ต้องดีกับเขาบ้าง ก็ที่เฉพาะจะจบความดีที่เราเนืให้แกสัเพสตาที่เราเพย์มตตาทุกวันนี้ก็คือสิ่งนี้เองแต่เรานึกไม่ออกสเปสตาเราจะพูดถวินติดปากคือสัญญาพูดจนเป็นสัญญ า, ญญาแต่มันไม่เกิดปัญญาถ้าระหนึกออกโอ้ที่อาหารที่เรากินเข้าไปในะวันนี้เดนนี้ขณะนี้กุ้งหอยปูปาขอบคุณที่เขามาต่อชีวิตเราถ้าไม่มีเขาเราอยู่อย่างนี้ไได้เติบโตอย่างนี้ ไ, ได้นี่นคือบุญคุณ คือรู้เราพวพุ่ีอยู่กับคนุณชีวิตเราก็จะเข้าใจกระบวนการของชิตมากยิ่งขึ้นสติก็จะเข้มข้นจะเข้าใจในแต่ละครั้งที่เรากินก็กินด้วยความมีสติเป็นแบบเดิมกินด้วยความไม่มีสติคือเอาเข้าปากก็รู้แต่ ว, ว่าไม่ว่าเขเนี้ยเขาจะเอารู้ได้ว่ามันจะปั้นก็นดีตัดไป่ช้อนก็ดียันเราก็าไปพูดอยู่สมอว ก, ก, กินดีละคําทําดีละอย่างมันก็ยังใช้ได้นะ พอกินก็กินทีละคำนะะพอทำเราก็ทําทีละอย่างหลังจากนั้นก็ใช้อวุธที่อยู่หลังจากกินแล้วมีกําลังแล้วคือกําลังกายแล้วอย่าลืมเพิ่มพลังใจด้วยเพราะกําลังมันสองอย่างคือกําลังกายกับกําลังใจกําลังกายเราไม่น่าเป็นห่งถ้ากินอย่แล้วเรามีกําลังถ้าวันไหนไม่กินนกําลังกายมันก็ไม่มีแต่กําลังใจจะน่าเป็นห่ง ทุกวนนีทีมาหรื อ, อคือหลายลคนเพ่อกลังใจขาดกำลังใจเพราะว่าขาดวิธีพิจารณาที่เ ป, เป็นกระบวนการครัว่ากระบวนการคือตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้แหละหลักไตรลักษณ์ที่พระเจ้าสอนให้เราได้พระองค์ต้องการให้เรามองและเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคือการเกิด ข, ขึ้นการตั้งอแต่การดับไป ของสรรพสิ่ ง, ท, งทั้งหมดทั้งวงเป็นกระบวนการเคยเห็นตั้งแต่ก่อนหน้า น, นั้นเช่นการทําบุญไม่ได้เปรียกกับเรื่องสําคัญอย่างเดียวนะคําว่ากระบวนการอันนี้มันใช้ได้หมดเช่นเราจะทําบุญก็แปลว่าก่อนทําบุญเนี่ยก่อนที่เราจะทําบุญเช่นเอาวัตถุไทยธาตุเป็นต้นเป็นหลักพื็นเกณฑก่อนที่เราจะทําเราก็มีจิตเป็นกุศล ต, ต้องจิตเป็นกุศล ในขณะที่ทําจิตมันต้องเป็นกุศลทําไปแล้ Vert วก็จะต้องเป็นกุศลครบอย่างนี้คำว่ากุศลกุศลมันจะครบสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถ้าก่อนที่จะทำก็โอ้ลำบากโอ้ทำไปจำวนมีอยู่สามร้อยอ่ะลวกออกไปร้อยนึงเหลือสองร้อยเริ่มตีใจไม่สมบูรณ์ละในขณะที่ทําไปแล้วโอ้พระบริสุธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไปแล้วพระไปทำอะไรก็ไม่รู้นาะคือทําไปแล้วก็เช่นเดียวกันเอาไปชี้อิก อันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นบุญพนักรกรทําขณะทำหรือทํำไปแล้วคนต้องเป็นบุญในขณะที่การบาปก็เช่นเดียวกันคนที่ทําบาปคนที่จะทำให้คิดบันบานนะในขณะทํามันก็ลำบากทำไปแล้วเป็นบาปอย่างครบอย่างคือก่อนขณะแล้วก็หลังทําใช้กับบุอื่นได้เช่นเดียวกันว่าจะเป็นเรื่องทานว่าจะเป็นเรื่องศีลก็มกีอุปกรณ์ที่เรา ไม่รักษาสินก่อนที่ไม่มีสินมันเป็นอย่างไรไม่รักษาคือไม่รักษากายตัวเองไม่รักษาวาจาตัวเองมันเป็นอย่างงไงก็นด้ก่อนแต่ในขณะที่กายวาจาเราเป็นสินมีสินมันเป็นอย่างไงนแล้วหลังจากเรามีสินแล้วเรารักษาสินแล้วเราแล้วมันเป็นอย่างไรเรามาดูคนที่ไม่มีสินเป็นอย่างไรอ่นง่ายมาก เราไปถามกรมรัชทันอยู่เป็นแสนแสนเราไปถามนักกฎหมายดูเราไปถามตำรวจ ด, ดูไอการศาลมันเป็นยังไงอันนั้นเกิดโทษวนละเมิดมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราถึงโชคเราโชคดีที่เราไม่ละเมิดสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญก็คืออันนี้คือสิ่งทำก็คือสมาธิปัญญาทำก็จิตใจสิ่งันแค่กาย แค่กลยก็ไม่ยากคือข้างนอกคุ่งง่ายแค่ควบคุมกันข้างนอกอย่ามาถึงข้างในคือยังขุดไม่ลึกแต่คุณ่งง่ายคือยังขุดไม่ลึกแค่ข้างนอกผิวๆเพิ่มเติมแต่ทำในขุดเข้าไปเลืกเข้าไปอีกใจอีกเราก็จะเจอเจอใจใจของเราเป็นยังไงสะพาวะที่คนปฏิบัติเป็นยังไงก็ได้ปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วเป็นอย่างไรเราจะรู้เจริญปัญญาได้ตนเองอยู่ปัจจตัง กรคือกล่องรูปเฉพาะตัวนก็เปเเรเียบ เ, เทียบ อ, อุกมาบวงอย่างในทุกวันทุกวันเราจะเห็นทั้งคุณและโทษคือต้องเห็นทั้งคุณและโทษทุกอย่างเหมือนข้าวเหมือนกันอย่าไปคิดามันคุณอย่างเดียวนะข้าวปลาอาหที่เรากินเปรี้ยวหวานมันเค็มแป้งน้ําอ้อยน้ําตาลหัวหมาลมากไม้มันมีทั้งคุณและโทษในตัวของมันนะถ้ามันกินมันมากเกินไปทำาห้ตัว ก, กับโหลกตัวกระถานตัวกระขันมันก็ไม่ได้ก็ต้องพนะิจารณา อะไรมาถูกกับาธาตุกับขันจะรีดทิ้งใส่เจรกายมารับได้บางคนไม่ถูกกับเปรี้ยกก็จะไปกินมันเปรียวมากเลยการนี้เป็นต้นเราก็พิจารณาแล้วเราจะรับประโยชน์จากการใารงชีวิตเลยความประโยชน์นี้ทําว่าชีวิตคําเดียวแล้วไม่เขียวเนื้ออะเลยนะเพราะชีวิตของเราเนะ่ยมันเกี่ยวเนื้อกับอะไรอีกเยอะแย ะ, ยะมากมายในะชีวิตของเราเพราะนั้นถ้าเราไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยแล้วใครไปให้ก้อนสกัดไปชีวิตเรา ก็ได<ค>้แต่ไปขอร้องเรงรอนว่าทําไมคนอื่นไม่เข้าใจตัวเองจะไปเข้าใจได้ยังไงอันนี้มันตัวเราหรตัวเขาเราเองอยังไมเเงเเไเ่เข้าใจตัวเองลไมไมเลยแต่เราไปเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจตัวเองแทําไมเขาไม่เข้าใจเราที่เ่องปกติไม่ใช่หรือนตัวเราเองไม่เข้าใจตัวเองนะมันเป็นหน้าเป็นนที่แปลกประหลาดมันอยู่กับตัวเองแท้ๆอยู่ในกำมืเทวอยู่ใกล้ตัวแท้ๆเรากับไม่เห็นสิ่นั้น คือมองไม่เห็นด้วยปัญญามันก็ปเป่องทแปลกแต่คนอื่นเนี่ยเป็นธรรมดาเพราะไม่ได้เกี่ยวตัวเรางนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องการให้เราเข้าใจหลักการอันนี้เพื่อจะนำไปสู่การพิจารณ า, าและน้อมไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือแต่ละวันแต่ล ะ, นนละยานแต่ละครั้งพิจารณาให้มันจบชิ้นกระบวนการเกิดแก่จบตายเนี่ยเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไงสัพพสิ่งสรพพสัตว์อื่นเขาก็เกิดแก่จบตายเหมือนกัน แล้วคุณโทษมันเกิดตรงไหนประโยชน์มันเกิดตรงไหนมันเสียประโยชน์ถ้าเกิดมาแล้วมีท่าสี่ขั้นห้ามีชีวิตจิตใจเหมือนกับเราครัแต่ทําคุณงามความดีอะไรไม่ได้เลย่ไม่เขาแตกต่เห็นมั้ยนี้เหมือนกันหมดพวกเราก็ต้องระวังคือสมมติคนหนึ่งข้างหน้าเสซนก็มีสักตัวทําก็ไม่รู้จักเนี่ยมันสภาพมันจะเป็นอย่างนั้นนะอุ่มชั้นความฉลาดของเจ็บมันก็จะไหลไปตามนคํามันจะสั่น ไม่ต้องไปห่วงมันจะไหลไปตามมันจัดระดับของมันเองจะภูมินี้ต้องไปอยู่อยนภูมินั่งอมู่เป <c oughs> ็นระดับระดับไปแต่ถ้าเรามั่นใจในความดีของเราไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องโอจะไปไหนโอจะไปรถไปสวัสดีไม่ต้องไปห่วงถ้าไปกังวลนะไรทั้งสินเลยเราจะมั่นใจขนาดแต่ตอนี้เราคิดหน้าพ่อเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในชีวิตประจำวัน เร า, มาโมโหตอนนั้นถ้าเราทบกตัวอย่างนี้ทุกวัน่ก็จะเกิดความมั่นใจมาโอ้แต่ละวันเนี่ยเราก็ทําความดีไม่น้อยโดยเฉพาก่นหลับก่อนนอนไหวพระจน น, นั่งสมาธิให้เป็นประจํำทุก ว, วันมากน้อยไม่เป็นไนอย่างนั้นก็คือฝืนคือสอนจิตให้มันรู้ว่าอย่าไปเลื่อยเชยแฉไปเรื่อเยเปื่อยในชีวิตเป็นวันไร้สาระก่จะหลับก่อนนอนก่อจะไม่มีสติสัหรับัญยัเลย มันยังหาประโยชน์ไปอย่างอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าหลังจากหลับหูหลับตาแล้วไม่ได้ยินแล้วไม่เห็นแล้วคือหลับนอนหลับมันบุญบาปไม่เกิดนะระวังนะไปัดเสียเปล่าๆเลยเสียเวลาไปเปล่าๆประมาณจะนอนสามทุ่มสีทุ่มก็ตื่นห้าหกโมงกี่ชั่วโมงก็ไปแล้วความดีความไม่ดีไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นเลยเสียประโยชน์เปล่าๆเลยนถ้าเราไม่ทำก็พิจารณาแค่นี้วันนั้นก่อนหลับก่อนนอนก็เอา บรรจุคุณของพระเจ้าเราก็พัฒนาใจประธรมพระสงค์คุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์คุณทั้งหมดอย่างน้อยก็นึกถึงความดีจิดใจมนึกถึงคนดีมันก็สบายใจมันก็โล่งใจมันนั่นเป็นปริพเท่าทุกคนก็หลับทุกคนสบายใจตื่นก็ทุกคนสบายใจมีปิติมีกําลังมีพลังในขณะเดกยวกันคนหลับคนนอนไม่ถกกังวลสารพัดเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่จบมันจะนอนอยู่แท้ มันจะหลับอยู่แท้ๆนะคือจะเอามากลับมาคิดในพุดยังไม่จบทั้งคิดทั้งวันยังไม่จบเนะี่ยแล้วคนไม่มีสติจะเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นมีสติอยู่กับลมหายใจมากําหนดไว้มาตื่นหรือรู้สึกตัวว่าจะเพิกตัวอะไรก็ตามให้กําหนดจิตไยพุทโธทําอย่างนี้ให้เป็นนที่ใส่รู้ตัวออกมาให้พุโทโธมันหลับไปกับพุโทโธแล้วก็ตื่นไปกับพุโทโธแล้วเราจะรู้ว่านี่คือการแก่ หลังเขาบอกว่าถ้าแก้จิตใต้สํานึกต้องแก้ตรงนี้แก้ในจิตที่กระตือรือรับตื่นๆต้นแก่ถึมันแก้ไม่ได้ไอคือจิตใต้สํานึกมันจะเก็บของดีของเบลีไว้ในนั้นเราจะไปก็ไปด้วยตัวนั้นวันที่เราปฏิบัติต้ก็การให้เราเก็บแต่ก่อนดีดีแต่ระวังนะถ้าเก็บของไม่ดีไปมันก็ได้ของไม่ดีบรจุเอาไว้ในนั้นแต่มันเป็นของเน่าของเสียทําไงของเสียในนี้เดียวลองอุจระ เดี๋ยวแค่หัวยปมือเาบางคนเนี่ยวงแตกในขณะที่กานเอาน้ําหอมมาวางเหมือนกับอารมหนึ่งเห็นไหมอย่าไปคิดว่าไม่สําคัญนะอารมณ์ของเราก็เบิกกันอารมณ์โบดอารมณ์เสียอารมณ์เน่าอะไรเกิดขึ้นในใจอย่าไปคิดว่าโอนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกยังไงไม่ก็ไม่เอาของหอมมาลาคันท้ามาลาคือมาดอกไม้ของหอมให้เป็นดอกไม้ให้เป็นของหอมประดับกายประดับใจของเราะคือสี่นี้คือทำนี่แหละ ที่เป็นเครื่องประดับที่แท้จริงที่มีคุณค่าว่าเครื่องประดับที่เป็นข้างนอกทําแต่เราทํอย่างนี้เป็นประจำเป็นประจำเราก็จะมีหลักมีหลักก็คือหลักคิดจะ ต, ต้องคิดอย่างนี้หลักพูดจะต้องเปล่งวาจาอย่างนี้หลักทำคือลงมือปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทํากรรมถ้ากรรมมันดีก็คือคิดดีพูดดีทําดีออกมามันก็ดีผลงานออกมามันก็ดี ถ้ากรรมไม่ดีคือคิดไม่ดีพูดไป่ดีทําไม่ดีมันก็ทําลายตัวเองมันได้ทาลายคนอื่นนะทําลายตัวเองทําลายตัวเรามันได้ทาลายคนอื่นดังนั้นเราต้องการทําลายตัวเองหรือเปล่าทำลาเองเหมือนตั้งเวลาระเบิดหมือระเบิดเวลาไว้วันหนึ่งมันก็แตกโดยสลายมันทําลายตัวเองทํำลายแสดงออกทางอะไรทางกายภาพทางตามั่งทางปากมือแขนขา ที่มันทำลายทำลายการก็เพาะนั่นก็คือการแสดงออกทางกายถูกโทษทางกายเกิดจะคิดนั่นแหละจากเรดวงตนถ้าไม่อยู่ในวัฏจิกมันทำไม่ได้อย่างเป็นต้นนี่คือคุณค่าของการปฏิบัติธรรมแล้วว่าประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเพราะฉนั้นประชาสภาลให้พวกเราทราบว่าในวันมาค่ะปีนี้เราก็จะปฏิบัติธรรมอาจจะจริงจังนิดนึงเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องรับเรื่องนอนเรื่องพักเรื่องนอนเรื่องแต่วันยืนเดินนั่นอน ผูใไขมีสติมันมากขึ้นยืนไงก็ได้มีสติกับตัวเองเพิ่มากเราก็จะได้ประโยชน์เราก็จะเห็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คือปฏิบัติในชีวิตประจํำวันได้โดยการใช้อียบทุทรบงทีคือเดินนั่งส่วนนอ น, น, นมันแทบจะต้องไปฝึกอะไรเพราะมันไมีสติเว น, น, นอ น, น, นก็คือได้แต่ยืนยืนยนา น, นไม่ได้ก็คือสองอย่างคือเดินแต่ก่อนนั่งด้วยความมีสติ ในการฝึกเพตัวเองมีสติให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันก็ฝากพวกเราทุกคนแบบเดือนนี้เป็นเดนที่มีความหมายเป็นเวรท้าเป็นเดือนมาคะพระเจ้าเป็นเวรที่พระเจ้าว่างรากฐานประกาศศาสนธรรมคําสอนของพระเจ้าให้เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้คือวันมาคะเรื่องประกาศท่านก็ช่วยกันเผยแพร่ศาสนธรรมมาสองพันกว่าปีมาแล้ว เราถือว่าโชคดีลูปหลางเดินโดนไฟหน้าก็จะได้อาศัยพึ่งพาที่ร้านนี้เราไปรับประโยชน์ถ้าไม่มีวันนั้นเมือสองพันกว่าปีมาแล้วคงไม่มีวันนี้เราไมารู้จักอะไรมาออกมายแค่กองขงนังที่สำคันคือไม่รู้จักตัวเองเคยเป็นบัวาหาคือหลงเมืม่อมาเริ่จับตัวเองก็ไม่เห็นตัวเองจิ่ไม่เห็ตัวเองแล้วพกไม่มองตัวเอง คนที่ไม่มองตัวเองไม่พิจารณาตัวเองก็จะไม่เห็นตัวเองะนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการดูตัวเองพิจารณาตัวเองจนเห็นคุณค่าทั้งคุณและโทษของตัวเองแล้วเอาไปแก้ไขถ้ามันไม่ดีปรับปรงุงแบบนี้แต่ถ้ามันดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเบิกเก่าก็คือภาวนา น, นันเนห่ยยึดมาพัฒนา เ, เนี่ยคือพันการคาว่าภาวนานภาพรวมภาพกว้างเป็นภาพบวก เขาขึ้นกับพเราตรงกันข้ามว่าคนจะไม่พอนานมันก็จเจอกันข้ามปริศบัติตจอกันข้ามของคุณมันนนั้สบัตเราเนี่ย well. อยู่ที่ตัวเราพราะนั้นงานก็ฝากพวเราทุกคนกับวันนี้ถือว่าเป็นมัดพักให้กลางเดือนวันที่สองก็เดือนสามอีกจะเข้าเดือนสามเนี่ยขึ้นมาก็ฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึ่แนวคิดในกาปฏิบัติตาเราไปทุกทัวรอีกครั้งหนึ่งในสี่สิบวันนี้ ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ออกปฏิบัติตรงไหนที่มันปฏิบัติได้ปฏิบัติทันทีเช่นก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสมเด็จนพระอาจารย์ในคนของแม่ถึงครูบาอาจารย์ด้วยคุณทั้งหมดอันนี้ต้องทำทันทีเลยถ้าเป็นหลังเละไม่ต้องทําให้เป็นนิสัยไปหาบลงไปในาอนสน็ทถ้ามีอะไรก็ถือว่านี่คือเราทําความดีในชีวิตประจำวันแล้วก่อนหลัก่อนนอนก็เป็นคนดีอ่ะพวกนี้เป็นคนดีก่อนนอนไม่ได้เลยมันงี้นก็เอาดีอะไรไม่ได้นะเสียเวลาทั้งวัน แค่นี้เราทำไม่ได้ไมาถึง5้านาทีไม่ได้แต่มนะันไม่ได้เสียอะไรไม่เสียเวลาอะไรมากมายเลยขอให้ทำเป็นที่ใสแต่ความดีอันนี้แหละเป็นเพื่อรักษาตัวเราเองความดีรักษาคนดีถ้าเราเป็นคนดีแต่เราสร้คาความดีกับก้อนุมาตนในสัจจิตตาของเราทุกคนที่เสียสละโอกาสเวลามาเพื่อพอจะมาวัดเราได้บางคนอ ย, ยู่ไกลไ เราจะกัีกรจด้เรามีความฉันทะมี ว, าาวัธมีวิริยะทาริยะสตินี่คืมาพุกสติสมาธิมันคงไระสติสมาธิปัญญาที่ได้ไดวยอื่นนคือคาสเร็จก็จะเกิดขึ้นถ้าเราทครอบครัวกา ร, ารเราทำไปเสมอได้ม่มีคุณค่าความสาเร็จตั ว, วาทางแห่งความสาเร็จของพวกเราถ้าเราทำเป็นครบครการนั้นีารทขึ้นสึ่งกลาง ดำเนบางมาดำเนบางถาข้อหนึ่งข้อสองสสีไม่ทำามันก็ไม่ได้ความสำเร็จมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือสาเร็จช่วยแต่มันน้อยไมมากแทบไม่เยอะอะไรเลยก็ควรัฒนาความดีเพื่อทุกหลายดีได้กระทํามาเป็นงานนี้ขอความเรียนี้เชื่อโดยแก่บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกบุญทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เพื่อทุหลายได้จะทําความเป็นทุกครั้งทุกเวลาเช่นเดีวันนี้เป็นต้น ก็ขออนุโมทนากระสนเจตนาขอโรองทนายได้ในความสุขกาเจริญอยู่เว็บโลกก็เจริญและทางโลกหรือทางธรรมเป็นเจริญทา ง, ง, างทางโลกการธรรมโุกคนทุกข์กันเธิอน